ตลาดธาตุขันทิ้งเพราะเป็นทาราเวตัจากขันธามาเป็นเวลา80ถ้าพรรษาแล้วหนักแบบมาถึง80ปีหนักตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยก็คือธาตุคือขันอย่างอื่นเบาข้าวเรามาทั้งหนักก็กินไปกินไปหมดไปหมดไปแล้วเบา น้ำต่างมาก็มาใช้มาสอยหมดไปเบาถ้าขันแบกมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเบาหนักมาเรื่อยๆยิ่งเท่ายิ่งแก่กาลังพลังชาที่จะแบบจะหาไม่พอแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งหนักขึ้นไปโดยลําดับทันจึงอว่าพาราฮาวีันจากขันธ์ขันธ์ตั้งห้าอเป็นภาระอันหนักแบกรูปแบกกายหนักแล้วยังไม่แล้ว แบกทุกเวทนาที่มีอยู่ในกายแบกบสัญญาแบกบสังขารแบกบวิญญาณซึ่งโดนแล้วตั้งแต่เป็นของนัำหนักนังทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยซึื่เพียงหนักเฉยๆมันยังมีหนามอันแหลมคมเสียดแทงเข้ามาพนานจิตใจน่ะพระพุทธเจ้าทังกระงแบกบธาตุแบกขันอยู่ถึงแปดสิบพระพันษาแล้ววันนี้ คุณง่ายๆคือว่าโอ้ยเหลือทนแล้วว่ะลาสักทีเถอะว่ะทรงตรงพระชนตรงอายุสังขารจากนี้ไปสามเดือนจะได้สลัดปัดทิ้งภูเขาภูเรานี่สักที่ะเพื่นบรรดา พระสาวกอรหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาาองค์ต่างองค์ก็ต่างมาด้วยอภิยาสายใจน้ำใจของตนเองซึ่งไม่ต้องถูกเชื้อเชิญมต์มาแม่แต่องค์เดียวมารวมกันในเวลานั้นวันนั้นโดยพร้อมเพียงึงได้ประทานพระอาวาทเป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้นมา ให้บรรดาสาวกอรหันทั้งหลายเป็นเครื่องรุ่นให้ลื่นเลิกล น, นธรรมของพระพทุทธเจ้าที่ประธานให้นั้นในบทความเ้าอยออสัปปะปัสสะการนังกุศลสู้ประสมปดาสกิตะประโยตปานังเ่ตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโดนุปคาโตปฏติโมเพจะสร้างวรมตัตตานิตาจะผัดตัดพิงปันตัญจาศยีนาสนัง อธิจิเตจะอาโยโกเอตังพุทธานาสาสนังไงนี่เป็นพระโอาวาทที่ประทานให้เป็นเครื่องรื่นเริงแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกอรหันหนึ่งพันสองอห้าสิบองค์นั้นในเวลาบา่ายคล้ายคลากับวันนี้เพระาะว่านั้นทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรื่นเริงสำหรับพระสาวกอรหันเหล่านั้นไม่ใช่ แสดงเพื่อนเพื่นให้่า น, นนั้นเป็นผู้ซักฟ อ, อกเป็นผู้นําไปประพฤติปฏิบตัติเพื่อกําจัดกิเดอัสวะออกจากจิตใจเพราะท่านอ น, นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ล้ว น, นแล้วทั้งนั้นจึงเรียก ว, วิสุทธิอุโบสถประธานพระอาวาตในท่ากลางแห่งพุกษุผู้บริสุทธิ์พันสองค์ก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏอีกเลยในศาสนาของพระเจ้า ตอนที่ยังสมพระชนดูและตลอดไปคงไม่มีซ้ำอีกแล้วที่เราละลึกถึงท่านนั่นก็เห็นว่าเป็นความสำคัญเทยำนำเอาเท้าวาดนั่นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดที่เหลืออาศาวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรา ปำวป่าปะศักด์ปร ะ, ะการังคำว่าบาปก็คือความสามองความทุกนั่นเองบาปทางใจนั่นสาคัญมันสร้างได้ทุกเวลาบาปทางกายทางวาจายังมีการมีเวลามั่งแต่บาปทางใจที่สร้างความสามองขึ้นมาแก่จิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความคิดความปรุงท่องตัวเองสิงส่งที่ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุง เพื่ความเศ้ามองก็คือเป็นคือสิ่งที่เศ้าหมองอยู่แล้วสิ่งที่โศกปกอยู่แล้วภายในจิตใจทำเดียวกับกิเลสกิเลสเป็นเครื่องตุงแต่งสัญญาสั้งขานีออกมามเป็นกิเลสอีกประเภทห น, นึ่งแล้วก็ทกํา จ, จิตใจให้เศร้าหมองคือการทําบาปในความเศร้าหมอง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 การไม่ทำความสมองนี้ประการหนึ่งจะทำด้วยเหตุใดต้องจะไม่สมองกูจ ะ, ะสู้กระสั่มก ร, ระดาให้ยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะซักฟอกความสมองบาปในบทต้นนั้นออกจากจิตใจได้แล้วกลายเป็นสกิตรป ร, ประโยชน์และปานังขึ้นมาคือใจจะเป็นความผ่องใสเมื่อความความฉลาดมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอก บาปความเศรมองสบปรตกทั้งหลายออกจากใจใจก็เป็นความป่องใสขึ้นมาที่เรียกว่าสกิตะปายุรปันนังเอีเป็นความป่องใสขึ้นมาเมื่อชาระอยู่ไม่ถอยด้วยความฉลาดบาปน้อยบาปใหญ่บา ป, บาปมากบาปน้อยก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่ถ้าโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นสอนให้พวกเราทําอย่างนี้ด้วยกันจึงไม่มีทางอื่นที่จะเลือก หากว่ามีทางที่พอที่จะเลือกให้ผ่อนหนักผ่อนเบาได้ไม่มีใครที่จ ะ, ะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคงจะสารเปะให้พวกเราที่ได้ซ้าไปสารเปะให้นอนอยู่สบายสบเนะอะเราทำทางลัดทางตรงให้แล้วหาหมอนมานอนเลยเนะให้สบายเลยไม่ต้องไปทำอะไรทั้งหมดเ่ย ถ้าอุาทอย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาหมพยพานอนอยู่เปรยสบายเถอะเปลเราก็ทำให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จะสอนอย่างนั้นแต่นี้มันไม่มีไม่มีทางที่จะทำได้อย่างนั้นถ้าองค์เองแต่ละพระองค์ทีบจงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าชำระกิเลสออกหมดจากพระทยัยไม่มีอันใดเหลือเลยก็ไม่ได้ชำระด้วยวิธีเปรวิธีหมอน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 ความชอบใจของบรรดาตัดความเหมาะสมในการแก้กิเลส ข, ของสัตว์โลกนั่นเองมีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นปุ่นในงานไหวมีสัพพาวัฏตะอาการังกูจะสูสรประซึมปะดาสกิตตะประยนนุน์ตะปั่นังนี่เท่านี้นอกจากนี้ไม่มีเครื่องมือใดวิธีการใดที่กิเลสจะกลัวกิเลสจะหลุดลอยออกไปได้ มีวิธีนี้เท่านั้นน่ะประดยายไปอีกก็ก็อีกเช่นเดียวกันอนุปวาโดจะไปกล่าวร้รายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดีนอนุปคาโตอย่าฆ่าอย่าทำลายหรือทำร้ายสัตว์หรือมนุษย์ไม่ดีนี่ตาติมโมเขจดสังวโรให้สั้งรวมอยู่ในข้ออาดข้อธรรม ที่จะเป็นเครื่องตอดถอนกิเลสเนี่ยมัตตัญูตาจะพัดตัดสมิงมรู้จักประมาณในการดูการกินดูป่วยอย่าให้ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลถ้าหน้นปฏิบตัติสอนอย่างนัน้นรู้จักประมาณเนี่ยปันตัญจะศยนาสนั่งจะแส้งหาที่นั่งที่นอนอันสงดัด พืวอควาจัดกิเลสด้วยความวิเวกนั้นๆเนี่ยอธิจิตเตยจายโยโกลงประกอบติดให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนี่ขยายความออกมานะก็มีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเอตังพุท ธ, ธาศาสนาเหมือนกันนี่เป็นคาสองพุทธา้าทุกๆองค์เช่นเดียวกันนี่ท่านเลือกเฟ้นเต็มกำลังความสามารถแล้วไม่มีถ้าจะเราก็พูดอย่างแปลภาษาเราบาสบาย ท่านพยายามหาหมอนให้พวกเราสบายสบายหาเสือ่อหาหมอนหาที่นอนหมอนมุง้งไล่ยุงออกหมดอย่าให้มีอะไรมารบกวนเลยอยู่สบายสบายพวกนี้กิเลสจะได้หมดไปด้วยวิธีนี้มันไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทำเพราะทาแล้วไม่เกิดประโยชน์เวลาประกาศทำให้เป็นเครื่องดื้อเริงแก่บรรดาสาวกท่านก็ต้องประกาศอย่างนี้เวลาสอนสาวก เหล่านั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระาราหันท่านก่ท่าน ก, ก็พยายามสอนวิธีที่สัพภาวาสะากำนังนี้ทั้งนั้นนี่จึงเป็นความจําเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามนั้นซึ่งมีทางเดียวที่จะทําทิเดศให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลําดับๆในพระโอวาทที่กล่าวมานี้เท่านั้นน่ะยากก็ต้องไปแถทางนี้ ลำบากหุกะสะดวกสบายก็ต้องไปสายทางนี้เท่านั้นที่จะเป็นความเดินลัดตัดตรงไปเพื่อความพ้นจากทุกโปรการทั้งปวงไม่มีทางอื่นเป็นที่เลือกนี่พระอาวาัตนนี่ถึงใจพวกเราไหมพี่นายถึงพระไทยพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ถอดออกมาจากพระไทยมาสอนพวกเรา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 บังคับหรือก่อควันนี้ก็หมดสิ้นไปจากพระพุทธเจ้าเป็นอนุภาติเสษสานิพานล้วนๆหมดความกังวลหมดความรับกิดชอบในสมมุติทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยที่นี้เรียกว่าเหนือโลกโลกก็คือสมมุตินั่นเองสมมุติน้ยใหญ่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้น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 นิจขาโตัญญบุโตน่นคือดับสนิทไม่มีสมมุติใดๆเหลืออยู่เลยธรรมนี้เป็นเครื่องกลงวานอยู่ในความจริงที่พระองค์สอนไว้ทุกแห่งทุกหนถ้าเราได้น้อมประพฤติปฏิบัติด้วยความซึ้งใจในธรรมบทนี้แล้วก็จะมาทเหล่านั้นก็จะมากัางวานอยู่ภายในจิตใจของเรา เบื้องต้นก็จะกลางวาลอยู่ในความสงบร่มเย็นภาณในจิตใจด้วยสมาธิเปน็นขั้นขั้นแล้วก็จะกลางวาลอยู่ด้วยปัญญาความพิจิรค้คนหาเหตุหาผลเพื่อตั้งตนหลุดพน้นออกได้เป็นระยะระยะสุดท้ายกับกลางวาลถึงความบริสุทธิ์ผุดทนโดยประการทั้งปวงนิจฉาโตเป็นนิบุตดับความหิวโหอยอะไรทั้งหมด เพราะกิเลสทุกประเภทเป็นเชื่อมความหิวโหวยทั้งนั้นไม่มีความอิ่มตัวไม่มีความพอตัวก็คือกิเลสเราจะยกน้ำมหาสมุทรมาทั้งมหาสมุทรก็สู้ความหิวนี้ไหมไม่ได้นักกิตันหาสมาณทีความหิวโหวยที่เกิด อ, อำนาจของกิเลสนี้จะเอาแม่น้ำมหาสมุทรมาแข่งเขาสู้ไม่ได้ มีเต็มอยู่ในหัวใจของสาตร์โลกไม่เคยบกท่องเลยตลอดการไัลไหลไม่ว่าหน้าแรงหน้าฝนข้างขึ้นข้างแรงไม่ได้เหมือนน้ำมหาสมุทรซึ่งมีการขึ้นการลงแล้วจะเอามาสู้น้ำมันนี้ได้อย่างไรแล้วนี่จะหงื่แห้งด้วยวิธีใดหัว่แห้งด้วยการวิตโดยทางความภาคเทียนของผู้ปฏิบัติค่อยหมดไปหมดไป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 มันมายึดเอาตรงนี้เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนักอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจก็คือธรรมาชาติอันนี้อืไฟที่ไหนมันก็ไม่ไหมมันไม่เหมือนไฟที่เดชหานะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเผาที่ตรงนี้ถึตงต้องได้วิทยออก น้ำท่วมนี้เราเคยได้ยินแต่น้ำท่วมปอดมหมอฉีดหรือสูบออกช่วยน้ำกิเลดปัญหาสภาวะมันท่วมจะเอาอะไรมาสูบดูดออกละ่ะถ้าไม่เอาศรัทธาความเพียรสติปัญญาที่เท่านั้นไม่มีทางตอนน้องเอา่านี้ดูดออกคนที่พิจารณาให้มันเห็นชาติตามเป็นจริงมันไปถืออยู่กับอะไร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 สู้พขามันน่านก็ด่าพ่อด่าแม่เข้าไปเลยกว่าฉันมีอาวุธอันนี้นะ่ะเพราว่างนั่นทีต่อยไม่ได้ <c oughs> ฉันสู้ไปฉันต่อยได้ฉันล้มลงก็ปากฉันต้องล้มลงก็พูดได้ด่าได้แช่งได้มีว ะ, วะสู้ถึงขนาดนั่นเลยทิ้งได้ว่านักรบหนาอืมนีม่เราเทียบนักรบมไม่สมัยต้องไ ป, ไปด่าไปแช่งเขอื่นไม่ได้นะอืมหมัยทั้งวันเราสู้นี่เละอมขนาดนั่นนะ เรเห็นไหมเราครูวาจาร์เราเห็นประจับอย่านี้ที่เราได้กราบว่าบูชาท่านมีแต่ท่านนักสู้แบบนี้ทั้งนั้นน่ะแล้วท่านก็ได้ชัยชนะมาด้วยวิถีนี้แล้วแค่เอาท่านเอาวิธีไหนมาสอนพวกเราในสอนแบบบุแบบเปรย์อย่างว่านหรอท่านอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเอามาสอนแล้วนี่ครูวาจารย์นี่จะไปอวดดีอวดดีเอนั้นมาสอนดุจศีได้วยเลยน ะ, ะต้องอความต่อสู้ความทรห็ดอดทนพิจนาคลิกแทงเปลี่ยนแปลง เรื่องปัญญางของเราให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในมันเป็นความเฉลียวฉลาดอันแหลมคมสามารถที่จะถอดถอนตนได้จากหล่มลึกที่มันตักจมอยู่ภายในธาตุในขันนี้เป็นเวลาหลายกับนับไม่ถ้วนสุดท้ายก็ปรับอยู่ที่จิตถอดถอนมันไปหมดถอดถอนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากทานาน้ำทานลมธาตุไฟ ถอนจิตทข้งเราออกจากทุก เ, เวทนาที่เข้าใจว่าเป็นตนนี้รูปถอนออกจากขะรูปนี้ที่ถือว่าเป็นตนนี้ถอน อ, อเวทนาที่ถือว่าเป็นตนนี้เป็นเรานี้ถอนออกจากสัญญาสังขารนิยามที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรานีอ้ออกพยายามถอดถอนตรงนี้ด้วยปัญญาเอาให้ท่าน จิตเป็นของละเอียดเราเอเป็นของวิเศษวิโสธาตขันนี้วิเศษวิโสอะไรถึงจะแบกไปหามังเขาไปยึดไปถือเขาถ้าไม่ใช่เราโง่ถ้าเต็มภูมิถึงไปยอมแบกสิ่งที่หยับอยาก่าง น, นะฉนลาดแล้วก็ไม่แบกบน่รู้เท่าทันปล่อยมันตามสภาพของมันเนี่ยเป็นแบบมันธรรมะค้นลงไปสติปัญญามี แล้ไม่ต้องกลัวเราเรื่องตายนั่นกลัวไปหาอะไรความกลัวมันเป็นกิเลสสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วความกลัวทําไมสร้างความกล้าหาญขึ้นมาต่อสู้ให้เห็นความจริงของมันว่าอะไรมันตายแน่ๆนี่แล้นไม่มีอะไรตายนี่กิเลสมันโกหกเราอยู่ตลอดเวลาเผลอแป๊บเดียวมันเข้าย่องเข้ามาแล้วนะเราจะตายวันไหนจะตายวันนั้นตายวันนี้ตายที่นั่นตายที่นี่เลยคิดยุ่งตัวเองเขาอีกแหละดูๆคิดยุ่ง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 ความรับผิดชอบที่ถูกต้องอยู่ที่ตรงนี้ไทยชนะก็อยู่ที่ตรงนี้ยินแต่ขาวท่านเป็นพระราชฎรทหาร<ม>เช่นพระทหารหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ยินแต่ขาวท่านคุณนั้นสําเร็จโสดาคุณนี้นสำเร็จสกิทานั้นสําเร็จอนาคาคุณนี้นสําเร็จอราธรหัส ข่าวของเรามีแต่ความอ่อนความแอร์ความทอแท้ท้อถอยความอับเฉาเบ า, เบาความคิดความโศกความเศร้าความวุ่นวายนีแตะข่าวของเราข่าวของเราเป็นไปอย่างนั้นอนี้มันก็ข่าวของเราเป็นงัั น, นก็ทุกมัก็เป็นข่าวของเราความจมกลักก็ข่าวของเราอีกแหละเนี่ย ที่ไม่ปาถนามันก็มาเป็นข่าวของเราเพราะเราสร้างข่าวขึ้นมาเรื่องผลมันก็ต้องเป็นเรื่องของเราอยู่โดยดีทำรรมานีไว้เพื่อใครว่างั้นหรือไม่ที่สอนวันนี่สอนเพื่อใครพุทธบริษัทคือใครบ้างถ้าไม่ใช่เราคนหนึ่งในพุทธบริษัทนั้นทำรรมาณี่สอนเพื่อใครถ้าไม่สอนเพื่อเราอสอนเพื่อเราเพื่อให้แก้อะไรแล้วสิ่งที่เราจะแก้มีอยู่กับเราหรือไม่แน่มันก็ไม่อยู่ที่นี่ ก็เหมือนทุพระทีเจ้ามาทรงชี้แจงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลานี้สดสดร้อนรอ น, อนใครที่ไหนทำมาพระเจ้าอยู่กับตัวของเราแล้วจะไปฆ่าตันหมายพระเจ้านิพพ า, านที่ทุนที่นี่ถ้าทำสันสอนทั้งโน้นทั้งนี้เออความจริงไม่มีการในสมัยอมีอยู่กับบุคคลทุกคนผู้สอะเสแสร้งหาความจริงออื ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ล้าสมัยไม่มีการไม่มีสถานที่มีอยู่กับบุคคลผิดขึ้นมาอะไรก็ได้เช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทุกการทุกเวลาในใจของจัตุโลกเว่าข้างกุการนู้นหรือข้างนี้เป็นคนมีกิเลสด้วยกัน<อ>การแก้กิเลกก็ต้องแก้โดยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเป็นของเราด้วยกันมันจะนอ่างเงินกันที่ไหนไม่ได้ห่างนี่แก้ให้ถูกจุดเถอะพ้นได้ด้วยกันทั้งนั้น นนมัน่สว่างสวยที่สิดเบิกออกตรงไหนมันปิดตกติดกบาบังใจมันมีฝุนมีมัวตรงไหนจ่อปัญญาลงไปนั้นจ่อสติลงไปตรงนั้นพิจารณาอนนั้นติดอารมณ์มันเศร้ามองที่ตรงไหนความสศรมองเป็นสภาพมันหนึ่งที่ให้เราใจเรารู้เนี่ยเฮ้อหมานว่าความมืดความสว่างมันมาสัมผัสทางตาเรามืดอ้อนี่มืดพูท้ที่รู้ว่ามืดมันมันไม่ม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 ให้เห็นว่าสภาพนี้เป็นสภาพหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพราะเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับนอกประจากใจเป็นแต่เพียงอาศัยใจเกิดขึ้นแล้วเกาะอยู่ที่ใจเท่านั้นให้เราทราบมันทุระยะเราจะไปแสดงความวิตกวิจารณกรมามันอะไรผ่านเข้ามาให้รู้หมดชื่อนักศึกษานักปฏิบัติต้องศึกษาให้รู้อสอนด้วยปัญญาให้เข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏกันตนความรู้แทบแทบไม่ได้มีขึ้นมีลง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 เพาสิ่งอย่างนี้เป็นเป็นอาการหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจิบนั้นซึ่งเราจะต้องรู้กันทั้งนั้นด้วยปัญญาของเรา่มาเรียนจบจบตรงนี้นะไม่ไจบที่ไหนจบปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่ามอะไรงั้นหมหาเรียนประโยคสามประโยคสี่ประโยคห้าประโยคเก้าว่าอะไงั้นเนะ่ยนั่นนอกน่ะ ลำดับลำดาเท่าไหรก็มันสิ้นจุดสิบห้าประโยคน์สามสิบประโยคก็ว่าเป็นกันไปได้แต่กิเลสมันสร้างเป็นประโยคไหนที่มันหักอยู่บนหัวใจคนตลอดเวลาเอียมันต่ําเต้าคนเมื่อไหร่อำนาจมันสูงกว่าคนถ้าคนโง่ถ้าฉลาดมันก็เหยียบย่าทำลายมนลงไปได้เนี่ยนีเราสร้างคุกที่ตรงนี้เดือนความรู้เรียนทุกถึงนี้ยาตรีมันรอบตัวสีจะมาที่ปัญญา ปัญญาตรีอ้อาวตรงนี้นี่โทก็เลื่อนขั้นเป็นไปอืเอากขั้นมีเอากากิจเอากธรรมนั่นแต่ไม่ใช่เอกมีในตาข้างเดียวอย่างเราเห็นงคนตาบอดข้างหนึ่งเสียยังเหลืออยู่ตาข้างเดียวก็กว่าเอากอยานเป็นเอกแบบนั้นถ้าเอกแบบนั้นแหละมันเอกอยู่ที่สองที่เสร็จนะอืมนันบอดข้างหนึ่งแล้วยังเหลืออยู่ตาเดียวแล้วนีจะชมมันแล้วเอาทําลายตาให้เอกเสียเอาที่นี้จะชมไปแค่ไหนไปไม่รอด <laughs> อเอกแบบหนึ่งแบบ น, นี้เอกของพระเจ้าจริงเอกกิจเอกธรรมเรียนให้ถึงขั้นปริญญาเอากนี่เองปริญญาปัญญาก็รู้รอบมัสิมันต้องจะเป็นเอกถ้าไม่รอบมันจะเป็นเอกได้ยังไงรอบจเจ้าอจของนี่แหละเจ้าของมันโง่ปัญญาก็มาไก่กองที่นี่พิจารณาทำละหถึงทำขั้นเอกทำอันเดียวท่านทำแค่เป็นอันเดียวจิจ ก, กับธรรมเป็นอันเดียวกัน พุทธัทงธรรมังสังขังสันนังกระฉามิลงในธรรมอันเดียวทั้งนั้นาธโมปดีโปวสว่างกระจ่างแจ่มอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกนี่คือธรรมแท้ไม่ใช่อาการอันนี้เป็น แ, ท, แท้ธรรมแท้สร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มีขึ้นที่ใจของเราพุทธัทงธรรมังสังขังสันนงกระฉามิเราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเจรณนะย่นเข้ามาให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใน องค์แห่งความรู้จุดภายในใจทั้งเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รวมแห่งสัณะทั้งสามนั้น่านเห็นชัดเจนภายในติดใจเชื่อสร้างสัญลักษณ์ขึ้นภายในตัวเองอัตตาหิตมนมาโถเต็มผูม๋ต้ออศาศัยอะไรละนีพุท ธ, นนธรระนี้ชั้นใดธรรมนี้ชั้นใดสังขานี้ชั้นใดพุทธธรรมานั้นก็เหมือนกันเพียนนี้เลยไม่ทราบเราจะไปหากราบพระพุทธเจ้าที่ไหน เอานี้เป็นบูชาท่านเลยเอาทำทั้งดวงในความบูสุษเราบูชาท่านเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรจะสนิทยิ่งกว่าพุาทธของท่านชั้นใดพุทธของเราฉันนั้นทำนั้นชั้นใดทำนี้ฉันนั้นเป็นอันเดียวกันเลยไม่สงสัยแต่พระพุทธเจ้านิพานไปนานแล้วหรือไม่นานไม่สงสัยเพราะเป็นอาการนหนึ่งถา้าหนึ่งขนันท่านปล่อยถ้าขันตั้งหะ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 ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเปิดเรื่องตายก็จะเป็นขึ้นที่ตรงนี้แต่ตายที่ไหนที่ไหนไม่สำคัญสาคัญที่จิตจะปลดเครื่องตนออกจากสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายให้หลุดพ้นที่ไหนเป็นที่พอใจเป็นจุดที่เราต้องการเอาตรงนี้แต่กังวลกับเรื่องอะไรทั้งหมด โลกเขาไม่มีอะไรล่ะมีแต่ใจของเราไปกังวลกับเขาอย่างเดียวหะเรื่องหาราวนะมายุ่งตัวเองตัดออกด้วยสติด้วยปัญญาของเราเห็นมัย้ยเห็นเลยที่ไหนก็เราคนเดียวเฮออยู่คนเดียวเท่านั้นแ่ะเกิก็เกิดคนเดียวลุมล้อมอยู่นั้นไม่ใช่ผู้เกิดในขณะ น, นั้นคือเราเท่านั้นเนี่ยเจ็บกับเราเท่านั้นผู้เจ็บตายก็เราเท่านั้นผู้ตายคนอื่นตายแทนไม่ได้เจ็บแทนไม่ได้แล้วเป็นคนตายเองแทนเราต้องเป็นคนทั่วตัวเองมาทิ้งธนูนาโถ ด้วยสติปัญญาของเราเองนั่นแหละเป็นความที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมอย่างยู่งพระพุทธเจ้าท่านตรงพระชนตรงอายุสังขารในวันนี้แล้วก็ปรงงกิเลสตัญหาอาะวามันตก ใ, ในวันนี้ตัวนี้หละตัวสำคัญตรงให้ตกเสียการตายเมื่อไร อตายมันจะไปตายวันนั้นวันนี้ดังพระพุทธเจ้าท่านว่าก็ไม่สําคัญนะ่ะสาหรับเรานะ <c oughs> มันหมดลมหายใจเมื่อไหร่เป็นวันนั้นเป็นวันตายของเราแล้วอเอาแค่มดลมหายใจหมดแค่นั้นถ้าลมหายใจยังมีอยู่มันก็ยังไม่ตายเอา้าหายไปเรื่อยไปเป็นปัญหาอะไรก็ยงังเหมือน่ึกลงๆแรงๆสําคัญก็คือว่าสร้างหลักเกณฑ์ให้จิตใจมันเป็นอตนัตโนะอัตตาอิจตโนนาโถอย่างเ ต, ต, ต็มภูม นั่นเป็นที่พึงพอใจองการเป็นการตายตา ย, ตายที่หนตายที่นี่การนั้นสมัยนี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งหมดเรื่องสมมติละการแสดงธทรก็เลงมีสมบุญอริติเพียงคน